10. ทัศมวัรค 1. นินโร ธ, ธกถา9กาว่าด้วยนิโรธ 571. สั ก, กวารีเมื่อขันห้าที่สแสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันห้าที่เป็นกิริยาก็อุบัติขึ้นใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาธีมีการประชุมแห่งขันสิบ ขันสิมารวมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งขันสิบขันสิบมารวมกันได้ใช่ไหมป ร, تي, รวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งพัตตาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อขันห้าที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันสี่ที่เป็นกิริยาก็อุบัติ ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งขันก้าขันก้ามารวมกันได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งขันก้าขันก้ามารวมกันได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งพัตตะสองอย่างและจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีเมื่อขันห้าที่สแสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับยานที่เป็นกิริยาก็อุบัติใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีมีการประชุมแห่งขันหกขันหกมารวมกันได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีมีการประชุมแห่งขันหกขันหกมารวมกันได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาที มีการประชุมแห่งภรรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น572ประวาทีเมื่อขันห้าที่สแสวงหาปฏิสนธิดับมักก็อุบัติใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลตายแล้วจเจริญมักได้บุคคลทำกาละแล้วจเจริญมักได้ใช่ไหมสกวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนิโรธกถาจบสองรู ป, ปังมัคโคติกถา96าว่าด้วยรูปเป็นมักห้ารสสา้สักวาทีรูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมัคเป็นมัคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้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 ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพร้อมพร้อมด้วยมักเป็นมักสักวาทีสัมมาวาจาเป็นมักใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัมมาวาจาเป็นสภาวธรรมที่รับรูอร้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สัมมาอาชีวะเป็นมักใช่ไหมป ร, าารวาทีใช่ักวาทีสัมมาอาชีวะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาอาชีวะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปรว า, าที ใช่สกวาทีหากสัมมาอาชีวะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัมมาอาชีวะเป็นมรรคห้ารสกวาทีสมาธิฏิเป็นมรรคและสมาธิฏินั้นเป็นสภาวาธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม ปรวาทีใช oui. ่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นมักและสัมมาวาจานั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิมักและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมักและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นมัคและสัมมาสมาธินั้นเป็นสภาวธรรมที่ปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นมัคและสัมมาวาจานั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที สัมมาสมาธิเป็นมัจและสัมมาสมาธินั้นเป็นสภาวธรรมที่ ร, รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมัจและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นสภาวธรรมที่ ร, รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีสัมมาวาจาเป็นมักและสัมมาวาจานั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาธีใช่ักวาธีสมาธิฏฐิเป็นมักและสมาธิฏฐินั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีสัมมาวาจาเป็นมักและสัมมาวาจานั้นเป็นสภาวธรรมที่ปรัพรุ้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นมักและสัมมาสมาธินั้นเป็นสภาวธรรมที่ปรัพรุ้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึง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 สัมมาสมาธิเป็นมรรคและสัมมาสมาธินั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรูอร้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น575ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรคใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสัมมาวาจา สัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมัคไมิใช่หรือจักกวาทีใช่ปรวาทีหากสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมัคดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปของบุคคลมีความพรั่งพร้อมด้วยมัคเป็นมัครู ป, ปังมัคโคติกถาจบ 3. ปัญจวิญญาณสมังคิดสมัค ภาวนาคถา97ว่าด้วยการเจริญมรรคของผู้พร่งพร้อมด้วยวิญญาณห576้าสกวาตีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณหมีการเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณหมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากวิญ ญ, ญาณหมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญ ญ, ญาณหมีการเจริญมรรคได้สักวาทีวิญ ญ, ญาณหมีธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอารมณ์มีธรรมภายในตนเป็นวัตถุมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์มีธรรมไม่แตกดับเป็นวัตถุ มีธรรมไม่แตกดับเป็นอารมณ์มีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกันไม่เะเว้ยอารมณ์ของกันและกันไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนัสิการเกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกันไม่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันวิญญาณหไม่มีความผูกใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ สักวา่าทีหากวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณหมีการเจริญมรรคได้ห้าจักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักขคูวิญญาณมีการเจริญมรรคใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีจักรกคูวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีจักขวิญญาณปราลบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจักรสุและความว่างจักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีเพราะอาศัยจักรสุและความว่างจักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาตีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักรสุและความว่าจัขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักรสุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาทีหากประสูตรว่า เพราะอาศัยจักสุและรูปจักกุบิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักรสุและความว่างจักกุบิญญาณจึงเกิดขึ้น578รสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักกุวิญญาณมีการเจริญมักใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักกุบิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการจเจริญมักใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักขุวิญญาณปราลบาัตสะปรารบเวทนาปรารบสัญญาปรารบเจตนาปรารบจิตปรารบจักรสุปปรารบกายปรารบเสียงปราลบปโฑทพะเกิดขึ้นใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วย ม, โ, วญญ ม, ม, มโนวิญญาณมีการเจริญมัคมโนวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมป ร, รวาทีใช่สกวาธีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการจเจริญมัคจักขุวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวา่าทีบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยมโนวิญ ญ, ญาณมีการเจริญมักมนโนวิญ ญ, ญาณปรารบอดีตและอานาคตเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยจักกุวิญญาณมีการเจริญมักจักกุวิญญาณปรารบอดีตและอานาคตเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาตีบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมัจมโนวิญญาณปรารบัศเสปรารบเวทนาปรารบโพทะพระเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาตีบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยจักกุวิญญาณมีการเจริญมัจจักกุวิญญาณปรารบัศเสปรารบเวทนาปรารบโพทะพระเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น579ราปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณหมีการเจริญมักใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือ ฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิภพ ท, ทางกายแล้วเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้พรังพร่งพร้อมด้วยวิญญาณห้าจึงมีการเจริญมักได้ปัญจวิญญาณสมังคิดสมัครภาวนากถาจบ สีปัญจวิญญาณกุศลาปิอกุศลาปีติกถา98ว่าด้วยวิญญาณหเป็นกุศลก็มีเป็นอากุศลก็มี580รสั ก, กวาทีวิญญาณหเป็นกุศลก็มีเป็นอากุศลก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาทีวิญญาณห้ามีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นนารม์มิเชื่หรือ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 วิญญาณห้าไม่มีความผูกใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สั ก, กวาทีหากวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณห้าเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีห้าร้อยแปดสิบเอ็ดสักกวาทีจะกู่วิญญาณเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ ส hi, oui ักวาทีจ so. si, no ักก e ุวิญญาณปรารบความว่างเกิดข si, no <no Jackie material>. ึ <us twenty Phillips |notimestamps|> ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจักกุวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจักกุและความว่างจักกุวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที เพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและลูกจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาที ใช่สั ก, กวาทีหากประสูดที่ว่าเพราะอาศัยจักสุเรารูจั ก, จกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักรสุและความว่างจักูวิญญาณจึงเกิดขึ้นห้าร้อยแปดั ก, กวาทีจักูวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมิใช่หรือปรวาทีใช่ สกาวาทีจะคูวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีจะคูวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาทีจะคูวิญญาณปรารบภาษปรารบจิตปรารบจักษุปรารบกายปรารบเสียงปราลบปฐ พ, พะ เกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจักุวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจักุวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีใช่ศักวาทีจักุวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจักุวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปราลบัตสะปรารบจิตปรารบจักษุปรารบกายปรารบเสียงปรารบโพธพภะเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีจักคูวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจักคูวิญญาณปราลบัตสะ ปรารบโพธพภะเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้ 3, รารปสารวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าวิญญาณห้าเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมินัย น, นี้ เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือฟังเสียงทางหูถูกต้องโพธิัพทางกายแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาตีใช่ปรวาตีดังนั้นวิญ ญ, ญาณห้จึงเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีปัญจวิญญาณากุศลาปิอกุศลาปีติกถาจบ 5. สาโพคาติกถา99ว่าด้วยวิญญาณ5มีความผูกใจ584วิญญาณ5มีความผูกใจใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีวิญญาณ5มีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์มิเทพหรือประวาทีใช่สกวาที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 หากวิญญาณหไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณห้ามีความผูกใจห้าร้อสกวาธีจักูวิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีจักูวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีจักูวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประสูนท <la> ี่ว่าเพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้น มีอยู่จริงหรือปราวาทีไม่มีักวาทีประสูติว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจักกุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีหากประสูติว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจักกุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า เพราะอาศัยจักสุและความว่างจักกุวิญญาณจึงเกิดขึ้นสักวาทีจักกุวิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีจักกุวิญญาณปราลบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจักกุวิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีจะคูวิญญาณปรารบผัสสะปรารบโภตพภะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีจะคูวิญญาณมีความผูกใจจะคูวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีจักูวิญญาณมีความผูกใจจักูวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที มนโนวิญญาณมีความผูกใจมนโนวิญญาณปรารบผัสสะปรารบโพธพพาเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีจะคูวิญญาณมีความผูกใจจะคูวิญญาณปรารบผัสสะปรารบโพธพพาเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าปดสหปรวาที ท่านไม่ ย, ยอมรับว่าวิญญาณห้ามีความผูกใจใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือถูกต้องโพธิภพทางกายแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ ราวทีดังนั้นวิญญาณห้าจึงมีความผูกใจสาโภคาติกถาจบ